คนที่มาที่นี่นะทราบดีว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นวันพระธรรมดาแต่เป็นวันนาสารหาบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาสําคัญอย่างไรนะสำคัญก็เพราะว่าชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาจะเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น พระธรรมคำสอนที่สืบทอดกันลงมาถึงปัจจุบันหรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันก็ล้นแล้วแต่มีที่มาจากเหตุการณ์ที่ว่านี้เหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราช พุทธศักราชนี่ก็ตอนนี้เท่าไรละ 2,566 45ปีก่อนพุทธศักราชก็คือ 2,611 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเหตุ ก, การณ์นั้นนะคือการที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกเลที่พระองค์แสดงธรรม และปัจจุบคัคคีทั้ง5ก็มีหนึ่งท่านนะที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมคือพระโกลทันจะนะแล้วก็ได้เรียกว่าบวชนะในพุทธศาสนาเป็นพิสุองค์แรกก็เลยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระตัตฑ์ไตรครบองสาม มีพระพุทธแล้วมีพัทธรรมแล้วก็มีพุทสงฆ์เมื่อครบองค์3มแล้วนี่ก็ถือว่าการบังเกิดขึ้นของพุทธศาสนาก็ครบถ้วนสมบูรณ์และเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนาอย่างที่เรารู้จักกันด้วยนี้เนี่ยนะ จริงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราควรจะระลึกนึกถึงแล้วก็หลายคนก็เห็นว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ควรเฉลิมฉลองที่จริงการประกาศให้มีวันอาสาบูชา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาในเมืองไทยนี่นะมันเพิ่งเกิดขึ้นมานี่เองนะนเกิดขึ้นหลังจากอรตมาเกิดด้วยซ้ำนะเกิดขึ้นเมื่อปี2องพนะ้ะนั่นก็หมายความว่าเรามีการเาบียนเทียนทำบุญหรือว่า มีการเฉลิมฉลองกันให้กับวันอาสาบูชานี่ก็60กว่าครั้งนี่เองนะแต่อันนั้นก็ไม่สำคัญนะเพราะว่าสิ่งสมคัญคือว่าเหตุการณ์สำคัญที่ว่าเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ 2,611 ปีที่แล้วนี้มันก็ส่งผลกระเทือนนะ หรือว่าก็ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์กับมนุษย์ทั้งหลายอย่างสืบเนื่องนะกันมาจนถึงทุกวันนี้มีพระรัตสาวกมากมายบังเกิดขึ้นพระริยาเจ้าหลายท่านนับไม่ถ้วนนะก็บังเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ทำให้เรามีอ่หลัก ทำในการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้ชีวิตเกิดความผาสุกและอาจจะนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ในวันข้างหน้าก็ได้ที่จริงคำสอนที่เรารู้จักในนามของพุทธธรรมหรือพุทธศาสนาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็เรียกว่าเริ่มต้นที่ ปฐมเทศนานี่นะชื่อชื่อว่าธรรมจักกะปตนสูตรก็ลึกถึงวันนษาบูชาแล้วก็ควรจะระลึกถึงต่อไปนะว่าปฐมเทศนาที่พระองค์แสดงเนี่ยแก่ปัจจักวิชีเนี่ยมันคืออะไรควรทํำความเข้าใจนะถึงเนื้อหาในธรรมจักกะปตนสูตร ไม่ใช่เพื่อรู้เฉยๆนะแต่เพื่อนำมาปฏิบัติเพราะเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากอย่างที่บอกนะคาสอนนะในพุทธศาสนาที่พวกเราชาวพุทธได้รู้จักนะไม่ว่าน้อยหรือมากนะไม่ว่าระดับพื้นฐานหรือระดับสูงเนี่ยก็เียว่ามีที่มามาจากพระสูตรนี่แหละ เก ว, ว่าเป็นต้นทานแห่งพระธรรมคำสอนเลยทีเดียวสิ่งสำคัญเนี่ยประการหนึ่งนะของคำสอนที่ว่าเนี่ยนะก็คือเรื่องทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็ถือว่าเป็นคำใหม่นะในสาวัตถการเนี่ยและจะว่าไปแล้วก็เป็นการค้นพบของพระองค์ เนสิ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดจะเรียกว่าเป็นบทเรียนที่เกิดจากความผิดพลาดตลอดเวลาหลายปีนะของพระองค์ก่อนจะได้ตัดรู้พระสัมมาสัมพทธิยานก็ว่าได้ความผิดพลาดที่ว่านี้พระองค์ก็เรียกว่าทางสุดโต่งสองทางซึ่งพระองค์ก็เคยถล่มพลาดไปแล้วนั่นก็คือ การสุขาันรการนิยคหรือการปนเปิดตนหมกจนหมกมุ่นในกามและสองเนี่ยการทรมานตนหรือการจมอยู่ในความยากลำบากเรียกว่าอัตตกิริมณฐานิโยคพระพุทธองค์เนี่ยเคยผ่านมาแล้วทั้งสองทางแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่หนทางอันปเปิดที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์เลย เป็นบทเรียนนที่พระองค์ค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วก็สมควรที่เราจะไม่ถล่มไปในทางผิดพลาดทั้งสองประการแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้กระทั่งชาวพูดเองนี่ก็ถล่มเข้าไปในทางสุดต่งสองทางนี้โดยไม่รู้ตัวก็คือถ้าไมคนเปิดตนด้วยกรรม เห็นการมาสุขเป็นสารณะก็ถลำเข้าไปสู่การทรมานตนจริงอยู่นะอาจจะไม่ได้ทรมานตนแบบโยคียหรือฤษีชีไพรนอนบนตะปูฝังตนอยู่ในดินยืนขาเดียวเป็นเวลา5 10, ปี10ปีหรือว่าอดอาหารนานเป็นเดือน แต่ก็อาจจะทรมารตนในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกันนะการปลนเปลือกตนด้วยกามก็อาจจะไม่ใช่ว่าไปามัวเสพสุขทั้งวันทั้งคืนแต่ก็อาจจะหลงเพลินนะในกามาสุขอาการที่เราเนี่ยเพลินในสุขก็ดีจมในทกุก็ดีเนี่ยนะมันก็คือการ พาตนเข้าไปสู่ทางสุดตรงได้เหมือนกันนะเวลาเรากินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะหรือว่าได้มีได้เสพสิ่งอร่อยเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเกิดความยินดีเลือกเพลินในสุขแต่ถึงเวลามีอะไรมากระทบให้เราเกิดทุกข์แล้วเราก็จมอยู่ในทุกข์ จมอยู่ในความโศกความเศร้าความโกรธความคลั่งค้อความห่อเหี่ยวและขดผูกหรือซึมเศร้าเนียอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนได้เหมือนกันนะเพราะเป็นการซ้ำเติมตัวเองบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราสูญเสียทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยใจให้จมอยู่ในความโศกเศร้าความเสียใจ เสียทรัพย์อย่างที่ไม่พอนะเสียใจหรือเสียจริตนะอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังเพลิดเพลินหรือว่าหลงในสุขในทุกข์ด้วยเวลาโศกเศร้านี่ก็ไม่อยากถอนใจออกจากความโศกความเศร้านะอยากจะจมดิ้งเราไปในความโศกความเศร้าให้มันนานๆใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่ไป ทั้งทั้งที่ถ้าไปแล้วก็อาจจะหายเศร้าหายซึมเวลาโกรธนะก็แต่ย้ำคิดย้ำทำเพื่อเผาใจเผาลนติดใจให้มันรุ่มร้อนยิ่งขึ้นโดยการคิดถึงการกระทำและคาพูดของเขาซ้ําแล้วซ้ําเล่าทั้งทั้งที่ทุก ท, ท, ทั้งที่รุ่มร้อนก็ไม่ยอมถอนจากจากความโกรธนะั้น มีใครมาชวนให้หรือมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถอะก็ไม่ยอมแม้จะรู้ว่าทำอย่างนั้นแล้วจะหายโศกห า, หายโกรธหายแค้นแต่ก็ยังหวงแหงความโกรธจะจมหรือให้ความโกรธเผาผลาญต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าทรมานตนหรืออัตเกิรมันฐานนิยคได้นะเป็นทางสุดตรง แต่พราะคสองพระองค์เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันมีทางสายกลางนะที่ไม่ใช่เพริดเพนสุขแล้วไม่จมในทุกข์ซึ่งสามารถจะช่วยยกจิตให้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้สุขก็ไม่หลงนะเจอทุกข์ก็ไม่จมอยู่กับมันที่ทำได้ยังไงนะก็ อาศัยหลักอริสัท4สี่เนี่ยที่พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกในปฐมเทศนานี่แหละจริงตอนที่พระองค์ตัดสรู้เนี่ยใต้ต้นโพหรือไมล้ลำเนาัญชลาเนี่ยพระองค์ตระหนักดีนะว่าธรรมที่พระอ ง, งค์ทรงค้นพบเนี่ยมันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนและพระองค์ก็ตระหนักว่า เป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจทีแรกก็พระองค์ก็ไม่คิดที่จะแสดงธรรมที่พระองค์สนค้นพบนะแต่ตอนหลังพระองค์ก็เปลี่ยนพระไถยนะตามตำนานก็ว่าพระพรหมมารัธนาให้พระองค์แสดงธรรมแก่เวนยสสัตว์นะที่ยังมีดวงตาที่ยังมีโอกาสเห็นธรรมเพราะว่ามีทุลีในดวงตาอยู่ อันนี้พอพระงเนี่ยตัดสินใจที่จะจะแสดงธรรมคำสอนที่พระองค์ตัดสรู้เนี่ยให้ผู้คนได้เข้าใจเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้นำมาแสดงแบบเรียกว่าต้นู้ภาษาชาวบ้านคือแสดงธรรม ท, ท้งดุน้นะหรือว่าแสดงธรรมแบบสดสดแต่นำมานามาจัดรูปใหม่ จากธรรมะที่พระองค์แสดงที่ทงทรงพระพุทธคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระองค์ก็มาปรับให้เป็นอริย ส, สัจสีปฏิจจสุบาทนี่เข้าใจยากแต่อริยสัจสีนี่เข้าใจง่ายเพราะว่าทุกสมุทัยนิโรดมากเนี่ยนะพระองค์ก็ม า, มาจัดระเบียบใหม่จัดรูปจัดรูปรอยใหม่ซึ่งก็ช่วยทําให้ผู้คนจํานวนมากนี้ได้ ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเริ่มจากพระโกนทันยะเอริศ ส, สีนี่เป็นธรรมที่จะว่าไปเนี่ยก็เข้าถึงได้กับคนทุกระดับระดับพื้นๆก็ได้หรือระดับลึกซึ้งก็ได้สุดแท้แต่ว่าจะาเรียนรู้ใคร่ควรมากน้อยเพียงใดเราคงทราบอยู่แล้วว่าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราพัฒธรรมเนี่ยนะ มันประกอบไปได้วยสองส่วนนะส่วนที่เป็นสัจธรรมและส่วนที่เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสัจธรรมส่วนนี้เราเรียกว่าจริยธรรมตอนที่พระงค้นพบจวนตัสสุภาษมัสสมพุทธญาเนี่ยพระอค้นพบสัจธรรมแต่เวลาจะนํามาสอนผู้คนเนี่ย พระองค์ก็ไม่ได้สอนแต่สัจธรรมแต่ว่าสอนแนวทางการปฏิบัติให้ด้วยเรียกว่าทำให้ถ้าภาษาสมาัมคือมี how to how to นั่นคืออริสัต4 how to นั่นคืออริมัคมีองค์8นะอริมัคมีองค์8นะซึ่งตอนหลังก็ จัดใหม่เป็นไตสืบขาหรือว่าบุญกริยาวัตถุ3หรือบุญกริยาวัตถุ10ในริัยมืองริศศรีเนี่ ย, ม, ย, ม, ย ม, มีทั้ง2 อ, อย่างเลยนะส่วนที่เป็นสัจธรรมและส่วนที่เป็นจริยธรรมครบถ้วนส่วนที่เป็นสัจธรรมก็คือทุกสมุทัยนิโรธ ความจริงเกี่ยวกับทุกความจริงเกี่ยวกับสมุทยัยความจริงเกี่ยวกับนิโรธแล้วก็แนวปฏิบัติที่เรียกว่ามร์อันนี้คือจริยธรรมหรือข้อปฏิบัติเพื่ออะไรนะเพื่อความพ้นทุกเพื่อเข้าถึงนิโรธนีเมื่อเราเป็นชาวพุทธทั้งทีเนี่ยนะก็ควรจะเข้าใจเรื่องอริยสัจให้ท่องแท้ แล้วก็นำมาปฏิบัติหลายคนคิดว่าตัวเองเข้าใจอริสัทธ์4ดีแล้วนะถามว่าอริสัทธ์คืออะไรนะก็ตอบได้ว่าคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่แค่นั้นไม่พอนะสิ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามหรือไม่รู้นะคือว่าแล้วทั้ง4ข้อเนี่ย เราควรทําอย่างไรนะกับทุกขสมุทัยนิโรธมรรคการรู้ว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรเนี่ยยังไม่พอนะความรู้ที่ว่านี่เขาเรียกว่าสัจยสจยานสัจจยานคือความรู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรอันนี้อาจจะใช้การท่องจําก็ได้ แต่สิ่งสําคัญกวนั้นคือกิจยานกิจยานคือยานหรือความรู้ว่ากิจที่พึงทําต่ออริยสัต์แต่ละข้อคืออะไรยกตัวอย่างเช่นทุกเนี่ยนะคือสิ่งที่ต้องรู้นะบางคนไ่เข้าใจว่าทุกคือสิ่งที่ต้องกําจัดอันนั้นไม่ใช่นะทุกคือสิ่งต้องรู้รู้นี่ท่านพระองค์ใช้คำว่าปริญญา ปริญญาเนี่ยมันก็หมายถึงความรู้รู้ทั่วรู้รอบส่วนสิ่งที่ต้องละเนี่ยคือสมุ ท, ทยัยอันนี้เราเข้าใจผิดกันมานานเลยนะทุกคือสิ่งที่ต้องละไม่ใช่ทุกคือสิ่งที่ต้องรู้ส่วนสิ่งที่ต้องละเนี่ยคือสมุ ท, ทยัย ไม่ใช่รู้ว่าทุกข์คืออะไรนะอันนี้เร า, า จ, จะตอบได้ mm. เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความโศกความรำล้ำลาพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะครับ อันนันมันเป็นการรู้ทุกข์นะแบบเบื้องต้นแต่สำคันคือว่าเมื่อมีทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นโดยเพราะกับใจเนี่ยก็ให้รู้เวลามีทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยหรือแม้แต่เกิดขึ้นที่กายก็ตามเนี่ยเช่นปวดเมื่อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะ ไม่ค่อยรู้ทุกข์แต่ไปหลงทุกข์ปวดเมื่อยนะที่แขนขาหลังส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ทุกข์แต่เป็นทุกข์ไปซะละมีความโกรธความเกลียด ค, ความโศกความเศร้าวความปวดหัวก็ไม่รู้แต่เข้าไปเป็นอันนี้เรว่าหลงทุกข์นะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีทุกข์แล้วหลงหลงเข้าไปในทุกข์ ผลก็คือว่าไม่ได้ปวดแค่กายนะใจก็ปวดด้วยโวยวายตีโพยตีพายปวดเลอะเกินปวดเลอะเกินทำไมถึงต้องเป็นชั้นเวลาโกรธ เ, เ, เวลาเศร้าก็เหมือนกันไม่ได้เห็นนะนะแต่ก็ไปเป็นไม่ได้รู้แต่หลงเข้าไปแล้วจมอยู่ในความโศกความเศร้าความโกรธ เป็นเพราะหลงในทุกเนี่แหละนะแทนที่จะรู้ทุกเนี่ยจึงไม่เห็นสมุทยัยไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกแตถ่ถ้าว่าเราเนี่ยรู้ทุกนะเดี๋ยวเพราะเมื่อเรามีสตินะทุกเกิดขึ้นที่กายทุกเกิดขึ้นที่ใจมีสติเห็นไม่ขอไปเป็น มันก็จะรู้ต่อไปนะว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ชาวพุทธเราก็คุ้นเคยดีนะคำว่าสมุทัยเนี่ยแต่วลาพอเวลาเกิดทุกข์จริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงถ้าจะยกตัวอย่างนะก็ก็เปรียบเหมือนกับลิงนะ ลิงเนี่ยนะมันเกลียดกระปิถ้ามีคนโยนข้าวเหนียวยัดกระปิให้มันเนี่ยมันไม่รู้มันก็เคี้ยวข้าวเหนียวแล้วพอมันเจอกะปิมือมันเปื้อนกระปินี่โอ้มันพลาดเลยนะมันเกลียกระปิมากแต่มือหรือนิ้วมันเปื้อนกระปินี่มันก็จะเอามือเอานิ้วเนี่ยถู กับเปลือกไม้ถู ก, กับหินเพื่อที่จะขจัดกระปิออกไปมันถูถูถูจนกระทั่งถลอกจนมีแผลจนเลือดไหลมันก็ยังไม่เลิกถูแต่ที่มีกลิ่นกระปิอยู่บางทีถูจนเกิดแพ้เวอร์วะน่าสงสารมากคำถามคือว่า อะไรทำให้ลิงเนี่ยมีแผลอะไรทําให้ลิงเนี่ยนะเลือดไหลบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ากระปิกระปิทำให้ลิงเนี่ยเนี่ยมีแผล ว, วะจริงๆไม่ใช่หรอกถ้าดูให้ละเอียดก็จะพบว่าเป็นเพราะความเกลียดกระปิ กัะปีมันไม่ทำให้ลิงเนี่ยมีแผลได้เลยแต่ว่าความเกลียกระปีนี่แหละที่มันทำให้ลิงเนี่ยเอามือเอานิ้วถู ก, กับหินถู ก, กับเปลือกไม้จนมีแผลเหตุแห่งทุกข์ของลิงเนี่ยนะถ้าทุกข์ในที่นี้หมายถึงการมีแผลเลือดไหลเนี่ย เตดอย่างทุกข์นี่ไม่ใช่กะปิแต่คือความเกียดกะปิชันไดก็ชันนั้นเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเาะความทุกข์ใจเนี่ยนะเรามักจะไปโทษสิ่งภายนอกแต่เราลืมมองมาที่ใจของเราอย่างเวลาเอาตัวอย่างง่ายๆเวลารถติดเนี่ยนะหลายคนก็หงุดหงิดนะถามว่าเนี่ย อันนี้ก็คือทุกอย่างหนึ่งนะในชีวิตประจำวันถามว่าทุกในกรณีนี้เกิดจากอะไรนะบางคนบอกเป็นเพราะรถติดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรถติดเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกนะเุแห่งทุกคืออะไรนะความอยากให้ถึงไวๆอยากถึงที่หมายไวๆพอรถมันขยับช้าก็เลยงุดงิน อันนี้เรียว่าถุกทํทำไมหลายคนเนี่ยแม้ว่าเจอรถติดแต่เขาไม่หงุดหงิดนะเพราะเขาไม่ได้มีความอยากให้ถึงไวๆอาจจะเป็นพ่อเ้ากาลังคุยกับแฟนคุยกับแฟนมันเพลินอยากให้รถมันไหลช้าเพราะไม่มีความอยากจะให้รถมันเคลื่อนเร็วหรือถึงที่หมายเร็วรถติดก็ไม่หงุดหงิดจิตไม่ตก หรือบางทีอาจจะเพลินใน ก, การดูหนังทางโทรศัพท์มือถือมันไม่มีความรู้สึกอยากจะให้รถถึงไวๆเนี้ยรถติดยังไงใจก็ไม่งุหงิดอันนี้ไม่นับประเภทที่ว่าพ อ, อยายถึงไวๆแล้วรถมันเลื่อนช้าไหลช้าก็คิดต่อไปปรุงแต่งต่อไปว่าเนี่ยถ้าถึงที่หมายช้าจะเกิดอะไรขึ้นจะตกเครื่องบินจะไปประชุมไม่ทันจะส่งลูกเข้าโรงเรียนช้า จะผิดนัดกัมอเนอันนี้คือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าพอคิดไปใจก็ทุกข์แล้วอันนี้ก็เรียกว่าสมุทัไทยนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่รถติดแต่มันคืออยากจะให้ถึงที่หมายไวๆในความอยากถึงที่หมายไวๆไเนี่ยมันก็คือเหตุแห่งทุกข์เรียสมุทรไทยบางทีท่านก็เรียกว่าตันหา มีเสียงดังมากระทบหูหงุดหงิดขึ้นมาหลายคนก็บอกเนี่ยฉันทุกข์ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเสียงดังแต่จริงๆแล้วเนี่ยสายเหตุของมันคืออะไรนะก็คือความอยากให้เสียงมันหายอยากให้เสียงมันดับถ้าไม่มีความอยากให้เสียงมันหายอยากให้เสียงมันดับเสียงดังยังไงก็ไม่ทุกข์หรือถ้าไม่รู้สึกรังเกียจเสียงนั้น ไม่ผักสายเสียงนั้นเหมือนกับลิงที่ไม่รังเกียจกระปิเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ทำไมบางคนนี่เจอเสียงดังแต่ว่าเขาก็ยังเฉย น, นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิอย่างสงบก็เพราเขาวางใจเป็นนะเขาไม่ได้มีความอยากจะให้เสียงมันดับเสียงมันหายเขาไม่มีการผักสายเสียงนั้น ไอ้ความอยากจะให้เสียงมันหายหรือว่าการผักสายเสียงนั้นเพราะอยากให้มันหายไปเนี่ยตรงนี้แหละคือสมุทยัยมันอยู่ที่นานนที่ใจเราไม่อยู่ที่เสียงบางคนมีความทุกข์เพราะแก่แต่กินความแก่นี่มันไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์อาจจะทุกข์กายนะแต่ไม่ใช่ทุกข์ใจ แต่ที่ทุกใจเพราะอะไรเพราะอยากจะให้มันไม่แก่อยากจะให้มันสาวอยากให้มันหนุ่มไอความอยากที่ว่านี่แหละนะที่มันทําให้หลายคนเป็นทุกข์เพราะความแก่หรือเป็นทุกข์เมื่อมีความแก่เกิดขึ้นบางทีไม่ได้แก่อะไรมากนะเพียงแค่มีผมหงอกหรือว่ามีกระมีผิวเหี่ยวยน่น เท่านี้ก็เป็นทุกข์กลุ้มใจแล้วหรือบางทีไม่ทันแกเลยแค่มีสิวสิวก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์นะสิวไม่ได้ทำให้หงุดหงิดสิวไม่ได้ทำให้ห่อเหี่ยวนะแต่เพราะความอยากจะให้หน้านี่มันเกลี้ยงเกลาต่างหากนะที่ทำให้เป็นทุกข์เมื่อมีสิวคนที่เขาไม่ได้ มีความอยากแบบนั้นไม่ได้ปรารถนาความเกลี้ยกล่อที่ใบหน้าหรือไม่ได้รู้สึกรังเกียจสิวเขก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยเวลามีสิวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีทุกข์เนี่ยนอกจากไม่รู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นว่าสมุทัยที่แท้เนี่ยคืออะไร ก็คิดแต่ไปก็มองเห็นแต่ว่าเนี่ยสิ่งภายนอกเนี่ยคือปัญหารถติดเสียงดังหรือว่าสิ้ไม่กี่เม็ดบนใบหน้าแล้วก็คิดแต่จะหาทางกำจัดสิ่งเหล่านั้นเวลาของหายก็เหมือนกันนะของหายเนี่ยหลายคนไม่ได้หายแต่ของใจก็เป็นทุกข์กลุ่มอกกลุ่มใจถามว่าทุก เกิดจากอะไรบางคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นพราะของหายแต่จริงเนี่ยเป็นเพราะความอยากที่จะให้มันอยู่ไปนานๆบางทีของไม่ทันหายเลยแค่แค่มันตกรุ่นเท่านั้นแหละหรือว่ามันเสียก็ทุกข์ละไซต์แท้จริงเนี่ยคือความอยากอยากให้มันอยู่ ไปนานๆอยากจะให้มันใช่ได้ดีแล้วทาไมถึงอยากนะหรือปล่อยความอยากครองใจก็เพราะความไม่รู้ความไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงการที่เราไม่รู้ความจริงหรือความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งของโลกนี้ก็ทําให้ซ้ําเติมความทุกข์หนักเข้าไปอยา่างพะไม่รู้ก็เ ก, กิดความยึดความความอยากขึ้นมา มันไม่ใช่แค่ความหญ่อย่างเดียวนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะยึดด้วยยึดว่าของชิ้นนี้สมบัติชิ้นนี้ต้องเที่ยงหรือยึดว่าร่างกายนี้มันต้องเที่ยงมันไม่แก่มันต้องหนุม่มต้องสาวเสมอหรือว่าเป็นสุขเป็นปกติงั้นถ้าเราดูจริงเนี่ยสมุดไทยเนี่ยมันไม่ใช่ สิ่งภายนอกซึ่งมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายแต่เป็นความอยากความยึดในใจเราโดยเพพาะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอนะี่อยากนี่เขาเรียกว่าตัณหาส่วนยึดนี่เรียกว่าอุปาทานเราจะบางทีท่านก็พูดรวมๆไปว่าตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ ในส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะคือความอยากความยึดในใจหรือตันเหวทานไปคิดว่ามันเป็นเพราะสิ่งภายนอกเป็นเพราะรถติดเป็นเพราะเสียงดังเป็นเพราะเสิวบนใบหน้าเป็นเพราะมีคนมาเอาของนั่นไปหรือทำให้ของนั่นเสีย คืม้กรทั่งคําต่อว่าด่าทอเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาก็ไปไปเข้าใจว่าเนี่ยเหตุอย่างทั่วคือคําต่อว่าด่าทอของคนคนนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะความยึดมากกว่าความยึดความอยากอยากให้คนชมจริงๆแม้จะไม่ได้ต่อว่าเลยเพียงแค่ไม่ชมนี่ก็ทุกข์ลวไม่กดไลค์ให้ก็ทุกข์ลว ยังมีความยึดกัอีกนะยึดยึดในหน้าตาพอยึดในหน้าตาเนี่ยนะพอใครมาพูดที่มากระทบหน้าตามก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าไม่ยึดไม่อยากนี่ยนะก็ไม่ทุกข์ทำไมบางคนเนี่ยถูกต่อว่าเขาไม่โกรธเลยบางคนถูกเศร้านะโกรธ แต่ทำไมหลายคนเนี่ยถูกแซวก็เฉยเยถูกลอกก็เฉยๆเพราะเขาไม่ได้ยึดในหน้าตามากหรือไม่ได้ยึดในตัวกูกของกูมากเั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะพิจารณาอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่าสมุทัยอยู่ที่ใจเรา อยู่ที่ความอยากความยึดในใจและดังนั้นถ้าไม่อยากทุกข์มันก็ต้องมาจัดการที่ใจของเราอย่างน้อยๆก็รู้ทันความอยากรู้ทันความยึดไม่ปล่อยให้มันคลองใจจะรู้ได้เนี่ยมันก็ต้องนะรู้ทุกข์ซะก่อนมีสติรู้ทุกข์มีสติ ทำให้เห็นทุกข์พอเห็นทุกข์ก็จะเห็นไปถึงสมุทยว่าเนี่ยไอ้รากงาเงาแห่งความทุกข์เนี่ยในใจเนี่ยที่แท้มอยู่ที่ใจเราไม่ได้ที่ข้างนอกนั้นฐานที่จะไปจัดการกับสิ่งข้างนอกั น, นที่เรียกว่ามองข้ามอาการของใจหรือความยึดความอยากในใจเนี่ยก็ต้องกลับมาที่ตรงนี้ก่อนข้างนอกเนี่ยแม้มันจะราบรื่นอย่างไร แต่ถ้าใจมันยังมีความอยากไม่จบสิ้นนะมันกม็มีความสุขนะคนทุกวันนี้เนี่ยจํานวนไม่น้อยก็มีความมั่งมีร่ํารวยพังพร้อมในวัตถุมีความสุขสบายแต่ยังไม่มีความสุขเลยสุขกายใช่แต่สุขใจนี่ไม่ใช่เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะ ใจเขายังปรารถนามากกว่านั้นอยากจะมีมากกว่านั้นหรือคาดหวังมากกว่านั้นคนเราไม่อาจะมีมากเพียงใดแต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นไอ้ที่มีก็กลายเป็นน้อยมี100ร้อยล้านแต่ปรารถนาพันล้านก็ยังรู้สึกว่าจนอยู่และทําไมถึงจะปรารถนาพันล้านก็เพราะเห็นคนอื่นเขามีกัน เขามีพันล้านแต่เรามีร้อยล้านก็รู้สึกว่าเราจนอยากจะได้มากแต่พอไม่ได้อย่างที่ต้องการที่ปรารถนาก็ทุกข์นี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนันก็เป็นทุกข์เพราะแล้เนี่ยที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะมีน้อยแต่เพราะมันอยากได้มากและไม่พอใจในสิ่งที่มีจะไปแก้ที่จะไปแก้ทุจริยการไปเก็บเกี่ยวกอบโกนให้มาม า, มากๆ มีร้อล้านก็กอบโกยให้ได้พันล้านแต่แน่ใจหรือว่าได้พันล้านเราจะยังมีความสุขหรือไม่มีความทุกข์พอถึงตอนนั้นพอได้พันล้านก็อยากได้สามพล้านอยากได้ 5,000 ล้านความปรารถนามันก็กระเถิบสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้พันล้านแต่ปรารถนาสามพล้านหรือหมื่นล้านก็ไม่มีความสุขแล้วจะไปโทษใครนะ ปรารถนาหรือดิ้นรนให้ได้มากกว่านั้นมันกไ็ไม่มีวันพบสุขได้หรือไม่มีวันคลายจากทุกข์ได้ถ้ายังไม่จัดการกับความปรารถนาหรือความอยากความยึดในใจเราและนี่แหละนะคือเหตุผลว่าทําไมนะมรรคเนี่ยจึงสําคัญนะมรรคมีองค์แนื้อรอเนี่ยนะไม่เป็นต้องถึงนิพพานก็ได้ เอาแค่ว่าให้ความทุกข์มันลดลงแต่ทุกข์มันจะไม่มีทางลดได้เลยนะถ้าไม่จัดการกับสมุทยัยหรือไม่เห็นสมุทัยที่แท้จริงซึ่งก็คือความยิดความอยากในใจเมื่อคไม่ตายจากคนที่แบกหินนะนะแบกหินแล้วก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยหนักหนักนี่เขาทุกข์มากเลยนะ คนที่กำลังแบกหินก็มีความทุกข์แต่ส่วนใหญ่จะคิดว่าทุกข์เพราะหินกี่คนที่จะมองว่าทุกข์เพราะแบกพอไปมองว่าหินเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์ทำให้เหนื่อยทําให้หนักมันก็คิดใจไปจัดการกับหินแต่สิ่งที่ไม่ทําเลยก็คือการวางหินลงนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย หินไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทยัยแต่การแบกตังหาวและแตราดใดที่ยังไม่ยอมวางหินลงจะจัดการกับหินยังไงมันก็ไม่หายทุกข์นี่เป็นเพราะไม่เข้าใจเรื่องสมุทยัยดังนั้นชาผู้จํานวนมากก็เหมือนกันนะรู้อริยศาสต ร, ร์สีเยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าหรือไม่ตระหนักว่าสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมีเหตุจากอะไร เราไปคิดแต่แก้ไขสิ่งภายนอกแต่ว่าลืมจัดการที่ใจของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอริสัท4เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมันไม่ใช่ยาปากคอนะแต่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังและจะทำงั้นได้เนี่ยก็ต้องรู้จักนะฝึกจิตให้รู้ทุกให้เป็นด้วยการหันมามอง ที่ใจของตนรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วมันก็จะเห็นเลยนะว่าในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันมีรากเหง้าสาเหตุมาจากความอยากความยึดหรือว่าการวางจิตวางใจของเราที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยปฐมเทศนาเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะ แม้พระองค์จะตัดสอนมา 2.6 งมหโละกับปีแล้วนะแต่มันก็ยังมีความหมายเราจะมาเวียนเทียนหรือไม่หรือว่าจะรู้ความหมายของมันอาสาบูชาหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเข้าใจอริษฎศี4แล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องเดียวเพพาะกิจในอภิสฎศีลเนี่ยถืกเป็นสิ่งต้องรู้ สมุทัสิ่งที่ต้องละน้โรธเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้เพราะว่าทําให้มรรคเนี่ยมันจเจริญงอกงามก็คือปฏิบัตินั่นเองเพราะในั้นในวันาาชานี้ก็ขอให้เราได้เข้าใจสาระที่แท้ของประธรรมเทศนาโดยพระอริ ส, สัตถีแล้วก็ดูแลใจยอยงตัวเนี่ยไม่ให้ไหลไปสู่ทะลังไปสู่ ทางสุดตรงสองทางประคองใจให้อยู่บนทางสายกลางให้ถูกต้องอก็หวังว่าการมาศึกษาธรรมของเราในว่าอาสาบูชาจะช่วยทําให้เกิดปัญญาในใจของเราให้เข้าใจเรื่องกิจจยานกิจที่พึงทําต่อเนื่อัตว์จนกระทั่งเกิดกัตตยานคือความรู้ว่าได้ทําสําเร็จแล้วนะเพื่อได้เข้าถึงความสิ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันจเจริญพร